เขาอกานครับอย่างคำว่าสติกับสัมปัญญาเนี่ยสัมปัญญาเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมครับผมเป็นชื่อของปัญญาทีนี้ อ, อในเจสิกของกุศลแปดวงกุศลแปดวงก็มีปัญญาด้วยไม่มีปัญญาก็มีทีนี้ไอ้กุศลจิตบางอย่างที่เป็นโสพณะแต่โสพณะเจสิกบางอย่างที่ที่ที่ไม่มีปัญญาประกอบก็มี มี <S <S <S แต่แท่านอธิบายเป็นเรื่อง <S <S ของเด็กๆมากกว่าในคัมภีนี่นะครับพูดถึงกุศลญาณวิปยุทธ์นะทั่วทั่วไปคืออธิเอายกเด็กๆมาเป็นตัวอย่างซะส่วนใหญ่เช่นเด็กให้ทานอย่างไงนะครับไม่รู้บุญบาปอะไรนะักเด็กก็ให้ทานไปเด็กก็กราบไหว้ไปอะไรไปเนี่ย น, น ะ, ะลักษณะ น, นั้นอ่ะท่านอธิบายลักษณะของยานวิปยุทธ์นะท่านท่านจะอธิบายลักษณะนั้นสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่า ข้อปฏิบัติในยุคนี้นะครับเท่าที่ผมฟังนะเขาจะให้ว่าอะไรมันปรากฏเกิดขึ้นก็ระลึกรู้มันไปนั่นคื อ, ข, อข้อปฏิบัติของเขาแล้วแต่อารมณ์มันจะเกิดนะครับอารมณ์ไหนเกิดขึ้นก็เรียนรู้อารมณ์นั้นไปว่ามันเป็นปรมัตธรรมอะไร ก, ก็เท่านี้แหละครับโดยสาระของของทั่วๆไปนะที่ที่ฟังแล้วเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกท่านให้บําเพ็ญไตรสิกขานะครับไม่ได้ให้เจริญอารมณ์คือคือไม่ได้ไปเน้นอารมณ์เน้นว่าเมื่อเจออารมณ์นั้นน่ะต้องเจริญอะไรบ้างทํายังไงจิตจริงต้องเป็นไตรกศีณ ส, สมาธิและปัญญาทําไมจิตจริงจะเป็นไตรกสิกขาสามให้ได้ไม่ได้มาขับว่าอออารมณ์นี้เป็นสีนะนี่เป็นเสียงนะนี่เป็นกลิ่นนะ ไม่ขับเน้นอยู่ตรงนี้ครับสาระไม่ได้อยู่ที่อารมณ์สาระอยู่ที่ไตรสิกขาเมื่อเจออารมณ์นั้นอะศึกษายังไงนะครับจึงจะเป็นไปเพื่อสันตินะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติหรือพรหมจรรย์นี่เป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นชื่อของสีเสียงกลิ่นรสนะครับเนี่ยนะต้องต้องแยกในสองส่วนนี้ให้ได้นะครับไอ้สมณ ก, กิจของเราเนี่ยนะอ่าคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระธรรมคําสอนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัววิเคราะห์อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าทำรรกิจของตนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โแล้วแต่อารมณ์นั้นมันจะเกิดนะครับกุศลเกิดก็ระลึกรู้มันอกุศลเกิดก็ระลึกรู้มันแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าแค่นี้นี่นะครับผมว่าจะบริโภคอาหารของชาวแว่นแควนเปล่าเสแล้วหรอครับเออเรื่องเรื่องคล้ายๆทํานองที่ว่าอนัตตาหรืออะไรปล่อยวางเนี่ยนะจ๊ะ ผมผมก็เคย <c oughs> เคยฟังมามากแล้วผมก็คิดว่าเออมันก็ปฏิบัติง่ายดีเหมือนกันนะบางทีเราอ่านอ่านมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออปล่อยวางทุกเสียงทุกอย่างแล้วก็ก่อสึกโปรงสบายเบาอะไรอย่างเงี้ยครับมาฟังฟังดูอาจารย์แล้วผมก็ก เ, อกมมกเออมันจะเป็นโมหะหรือจะเป็นโลภะกับรุนนะเพราะบางทีว่าขนาดที่เราเราแปลว่าเราปล่อยวางขนาะดนั้นเนี่ยมันก็โปรงเบาแล้วก็เราก็บอกว่าอืมสบายดีนะครับมันมันโดยโดยน่าจะเป็นสองอย่างนะครับถ้าไม่ใช่โลภะกับโมหะนะครับ ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอามาวิเคราะห์ไอ้สิ่งที่พฤติกรรมที่ว่าเมื่อกี้นะครับเอานะเป็นทานกุศลได้ไหมครับที่ว่าไปเนี่ยนะไม่ได้ไอ้ที่ว่าปล่อยเนี่ยว่างๆเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นทานไหมสองจะตุปริสุทธิ์ศีลเอามาวิเคราะห์ดูเข้ากับจะตุปริสุทธิ์ศีลข้อไหนบ้างนี่สามเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ล่วงทุจริตผิดศีลอะไรนะครับ เอาเอาไอ้ที่มีก่อนนะครับอย่างว่าไม่ลวกนะครับเอาถามว่าขนาดนั้นเนี่ยนะทานอุสนมีขึ้นไหมไม่ไม่ได้นึกไปเรื่องศีเสริญเลยเลยครับปารบทานไม่มีไมม่ีปารบจตุปริสูที่ศีลไม่มีเลยครับสมรถสี่สิบก็ไม่มีวี่แววครับปารบขันทาดยตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาติก็ตอนนั้นปล่อยวางทุกสิ่งเลยครับก็อะไรก็ไม่รู้สักอย่างถ้าทานศีลภาวนาก็ปล่อยวางไปด้วยคอับท่งนี้ก็ ข อ, ขอให้ผมได้ห่างๆคนประเภทนี้ไว้ไกลๆหน่อยนะครับผมจะไปติดเชื้ออย่างนั้นมาลําบากอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องล้างอีกลําบาก น, น, นะนะก็คิดดูนะครับถ้าหากว่ามันจะแบบที่เราว่ากันเนี่ยนะทาไมพระพุทธเจ้าต้องตรัพพระไตรปิฎกไว้มากมายขนาดนี้ครับถ้าหากว่าจะเป็นข้อปฏิบัติแบบนั้นนะโยมบางคนกล่าวเลยนะว่าพระธภามปริยัติธรรมไม่จําเป็นเลยถ้าหากว่าจะปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าถ้าหากว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกมากๆนะครับเชื่อไหมทำให้เราห่างพระรัตนตรยัยถ้าหากว่าเราปารถอย่างที่ว่าบ่อยๆนะโดยเฉพาะห่างพระพุทธเจ้าอันนี้ห่างแน่นอนห่างพระธรรมนี่ก็ห่างโดยเฉพาะปริยัติธรรมนี่ก็ห่างแล้วเพราะใครที่มัวแต่ปฏิบัติแบบนี้จะไม่ยินดีในพระปริยัติธรรม เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าทำมังสารนังฆะฉามิที่เป็นสารณะได้แก่ปริยัติอริยมรรยผลนิพานอันข้อปฏิบัติเริ่มแรกเราก็ห่างภาพปริยติธรรมซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชื่อว่าห่างจากพระตนะตรยัยนะครับพอผมมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้มากๆเข้านะครับใครมาว่าผมอ่าโหนี่ปริยัติทั้งนั้นเลยนะครับผมปลื้มใจเยอะนะครับเพราะว่าผมจะมีสารณ ะ, ะกับเขามั่งเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่มีสารณ ะ, ะเลยนะครับ คนโน้นว่าทีผมก็ไปกับเขาทีคนนี้ว่าทีผมก็ไปทีอ่านแล้วมันสมเหตุสมผลก็ไปกับเขาสักทีทีนี้มันนานๆเข้ามันไม่ได้อะไรนะครับคืออย่าลืมว่าเรานักบวชนะครับพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณานะวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากําลังทําอะไรอยู่เราต้องตรวจสอบตัวเองตลอดนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเขายังตรวจสอบเลยว่ากําไรเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาตรวจสอบได้หมดนะครับ เศรษฐกิจมันดีไม่ดีเขาวิเคราะห์ได้หมดของเราเห ม, มันตามยถากรรมเหลือเกินนะครับความรู้สึกของผมมานานแล้วถ้าปฏิบัติแบบนั้นไม่ต่างอะไรจากสิ่งที่ลอยน้ําได้ถ้าน้ํามันขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ําถ้าน้ํามันลงมันก็ลงตามน้ําคือผมอย่าพูดว่ามันเหมือนผักตบชวานะครับหรือสวะก็ได้ครับอ๋อใช้สวะนะ <c oughs> หนักไปมั้งแต่ก็ตรงสภาวะดีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเมื่อผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ทีนี้ตอนหลังผมก็มาสมทานเนี่ยเอาภาพปริยติธรรมพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานก็ยังบอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับตรัสว่าธรรมวินยัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอนะทีนี้ของเราก็เอจะห่างพระรันตนะตรัยไปเรื่อยๆทีนี้ห่างไปเรื่อยๆนะครับคําพูดเราที่เรากล่าวกล่าวกันเนี่ยโดยเฉพาะของผมเองนะนีผมตรวจสอบไม่ได้นะครับข้อปฏิบัติหลายๆเรื่องนะตรวจสอบกับพระปริยัติธรรมไม่ได้ เมื่อตรวจสอบไม่ได้แล้วเรานับถือภาพปริยัติธรรมไปทําอะไรแต่ที่ผมกล่าวผมก็กล่าวไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมนับถือภาพปริยัติธรรมเป็นสาระแล้วเพราะผมเชื่อว่าพระปริยัติธรรมนี่แหละเป็นคําสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเหมือนกับบทสวดสรรเสริญคุณพระธรรมนะครับที่บอกว่าและรำและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเพราะผมนับถือพระปริยัติธรรมในฐานะคําสอนเพื่อชี้ให้เห็นโลกุตระ ทีนี้ไอ้ข้อปฏิบัติแบบทั่วๆไปนี่นะครับผมมาวิเคราะห์โดยอริยสัจไม่ได้นะครับผมยังลงอริยสัจไม่ได้สงเคราะห์ลงโพธิปักขิยธรรมไม่ได้ทีนี้พอไม่ได้ปั๊บมันก็คือไอ้ได้แบบกะล่อมกระเล่มแบบมั่วๆได้แต่เอามาวัดแบบเป๊ะๆตามพระปริยัติหมดเกลี้ยงเลยทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้เราก็ต้องตัดใจออกไปนะครับก็ต้องมาคัดเลือกนะครับแต่ว่า ใครจะยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมก็ยังว่านะจะไม่ขอเป็นคนปาลาย้วนะครับก็จะเอ า, าพระปริยัติธรรมนี่แหละเป็นสาระแหะครับ อ, อ, อ, อจาจารย์พูดถึงเรื่องอริยสัจเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่สนดวงของผนะผมจะหาฟังมานานแล้วครับเรื่องอริยสัจเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยสอนให้พูดอธิบายเรื่องนี้ให้มันแจม่มแจ้งให้ฟังเนี่ยเถอะผมก็ไปขออาจารย์คนนั้นบ้าง ให้ขออาจารย์คนนี้บ้างพูดให้ฟังเขาก็ไม่พูดไปได้ยินอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งตั้งตัวนั้นวิสาขบูชาเขาเขาจัดสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้นกระดานตัวเบรลมเลยว่าวันนี้ท่านจะบรรยายเรื่องอริยสัจสี่ผมก็ดีออกดีใจหมรีบเข้าไปนั่งรอเขาเป็นชั่วโมงนะครับเพื่อจะไปฟังเขาบรรยายเรื่องอริยสัจสี่เอาเวลาพูดจริงกลายเป็นพูดเรื่องรถเรื่องเรือเรื่อ ง, องมลพิษอะไรต่างๆอะไรก็ไม่ทราบเออผมก็ ฟังอาจารย์มาไม่รู้กี่อาจารย์นะที่จะเน้นพูดเรื่องอริยสัจสี่เนี่หาฟังได้ยากจริงๆนะครับผมผมยอมรับนะผมเพิ่งมาฟังได้ยินจากอาจารย์เนี้ยที่เป็นคนที่เน้นพูดเรื่องอริยสัจสีบ่อยที่สุดแล้วก็เออมันมันไม่เหมือนกับอาจารย์คนอื่นนะเพราะว่าผมศึกษาพุทธคุณแล้วนะครับพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธพระพระองค์ตรัสรู้อริยสัจมันถ้าเราเข้าใจอริยสัจไม่ได้แสดงว่าเราเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ เนี่ยนะเพราะว่าเราจะทราบซึ่งในอรหันตคุณเป็นต้นพราะควันลุเป็นผ้าอรหันหรือสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะครับก็เนื่องจากอริยสัจนั่นเองนะครับเพราะว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อมีตอนที่พระองค์บรรลุอริยสัจแล้วแล้วคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สงเคราะห์ลงอริยสัจนะครับคือประเภทมัคคสัตว์เพราะฉะนั้นสิกขาสามเมื่อบําเพ็ญแล้วก็ยังลงสู่มัคคสัตย์นะครับทุกขสัตย์นี่ไม่ต้องไปครับเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ แก่เนี่ยผมก็แก่อยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนผมก็แก่ตัญหาผมก็เกิดอยู่แล้วสมุทัยศาสตร์นะเรียนไม่เรียนสมุทัยมันก็มีส่วนนิพพานก็เป็นสภาวะธรรมที่พ้นจากทุกข์กับสมุทัยเหล่านี้นะครับคือความไม่เป็นไปของทุกข์เหล่านี้สภาวะธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ข้อปฏิบัติเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยที่ว่านะครับทำนิโรธให้แจ้งเนี่ยไม่มีอันนี้ต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ชีม้มรรคเป็นผู้สอนเรื่องมรรคเพื่อให้เข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นศีแลแิกขาสภาวสูตรก็เป็นจิตตะศีขาหรือสมาธินะครับอภิธรรมก็คือปัญญาศกขามันศกขาสามต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ ประมวลกันแล้วก็จักแทงตลอดอริยสัจอย่างที่ว่านะครับอาศัยแนวทางเหล่านี้แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระ อ, องค์ฝาวะนี่คือตัวแทนของพระ อ, องค์นะครับแล้วข้อความในดีกาบอกว่ า, าดูก่อนอโนนว่างั้นเราตถาคตแต่เพียงนิพพานแต่เพียงผู้เดียวแต่พระพุทธเจ้า 84% 00มองค์เนี่ยนะที่เป็นพระวินัยสองหมหนึ่งพ พระสูต 21, 000, รสองหมืหนึ่งพันพระปฏธรรมสี่หมืนสองพันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันองค์เหล่านี้จะตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปของเราเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ทางเดียวนะครับแต่ทีนี้ที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดในฐานะคนนับถือพระประยัติธรรมนะครับแต่ว่าสําหรับผู้อื่นก็ผมก็ไม่ไม่คาดหวังอะไรมากมายก็สุดแท้แต่ว่าวิจารณญาณของเขานะครับเพราะว่าผู้ศาสนาไม่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดอะไรได้นะครับ พระองค์ก็ยังตรัสเลยว่าตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางนะครับเมื่อเขาไม่เดินแล้วตถาคตจะไปว่าอะไรเขาอันนี้ทางโลกเขาเรียกว่าพวกนักวิชาการครเขาจะเน็บแนมว่าพวกนักวิชาการโอ้ดีแต่พูดอะไรทํานองนั้นนะฮะก็ดีแล้วนะครับก็ดีกว่าเขานะครับครอในในปฏิสัมพิธามากเนี่ยมาอ่านเจอว่าทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เนี่ยจะประจักษ์ด้วยประจักษ์ได้ด้วยการฟัง ที่ script, จะรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเนื่องมาจากกาันจากสุตตะคืออริยสัจนะครับอริยสัจเนี่ยมีคือทุกสมุทัยนิโรธมากนะครับยานที่รู้อริยสัจเนี่ยมีสองอย่างนะครับยานที่รู้อริยสัจมีสองอย่างนะหรือสัจจญาเน่ยนะยานที่รู้อริยสัจหรือสัจจญาเนี้มีสองอย่างาสัจจญาสองอย่างนั้นนะครับโลกิยะกับโลกุตระมาแบ่งเป็นสองอย่างนะครับโลกิยะกับโลกุตระนะครับ โลกุตระเรียกว่าปฏิเวทยานเรียกว่าปฏิเวทยานส่วนโลกิยะเรียกว่าอนุโพทยานยานที่รู้ตามลำดับนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นไปนะครับการฟังเรื่องอริยสัจจนเข้าใจแล้วรู้ว่าเมื่อฟังอริยสัจจนเข้าใจแล้วบําเพ็ญข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจอย่างไรบ้างนับตั้งแต่การเจริญศีลเป็นต้นไปก็เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเหล่านั้น น, น, นะครับ เพราะฉะนั้นศีลสิกขาเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์นะครับเนี่ยนะเพราะว่าทุกขสมุทัยไม่ต้องครับมีอยู่แล้วนะครับสัตว์เนี่ยรกชัดด้วยตันหาเนี่ยนะตันหาเป็นชื่อของสมุทยัยศาสตร์เนี่ยรกชัดอยู่แล้วสัตว์ก็ไม่ไม่เคยยากจนจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนะครับก็ร่ํารวยทุกขสัตย์อยู่แล้วว่างั้นเถอะสมุทยัยศาสตร์ก็เพียบแปรวะะ่างั้น น, นะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์จึงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวัตถุทุกเหล่านี้นะครับอันเรานับถือพระองค์ในชั้นแรกเลยคือพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยชอบได้ด้วยถูกต้องและโดยพระองค์เองและพระองค์ก็ยังเอาคําสอนในอริยศาสข้อปฏิบัติเหล่านี้มาบอกกล่าวมาบอกกล่าวเราด้วยนะครับมาบอกกล่าวเราด้วยที่อาจารย์บอกว่าพูดว่ามัก เออไม่ใช่อริยศสตร์สองข้อแรกนะครทุกศัสตร์กาสมุทัยศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมีอยู่แล้วแต่ที่ที่ผมพูดมเมื่อกี้ยดยผมคิดว่าอ้าวถ้าไม่ทําอะไรจะรู้ได้ไงครับผมว่ามันต้องฟังนะครับคือคือฟังแล้วมันจึงเข้าใจแล้วมองเห็นโทษเห็นภัยว่าไม่ใช่ของดิบของดีไม่ใช่ของที่จะชวนให้เพลิดเพลินติดตามอะไรนะมันต้องพยายามละอะไรเงี้ยคืออาศัยการฟังแล้วจึงมา หาหนทางที่พระพุทธเจ้าส่งแนะนำคืออริยมรรคเนี่ยครั บ, รบเอาใหม่นะผมจะทวนสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ใหม่นะมาอริยสัจวนี่ยนะครับานที่รู้อริยสัจมี2นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งปฏิเวทญาณอันนี้แบบโลกุตระสองนะครับอนุโพธญาญยานที่รู้ตามลำดับนะครับอันนี้อนุโพธญาณ น, นี่เป็นโลกิยะ อนุโพธยานเนี่ยนะครับยานที่รู้อริยสัจ ต, ตามลําดับเนี่ยนะก็เริ่มตั้งแต่การฟังนะครับนะการฟังเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อฟังจนเข้าใจแล้วมาบําเพ็ญไตรสิกขานะครับก็เมื่อบําเพ็ญไตรสิกขาก็จะเริ่มรู้อริยสัจโดยลําดับจนถึงกับนะครับปฏิเวทยานเกิดขึ้นจรงจะรู้อริยสัจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเน้นที่ข้อปฏิบัติมากกว่าเน้นที่ทุกขสัสนะครับแต่ว่า ตัวโดยเฉพาะปัญญาศิกขาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปัญญาศิกขาตัวนั้นนะครับจะทําหน้าที่ปริญญาทุกขจะทําหน้าที่ปริญญาทุกข์แม้กระทั่งยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปะหาณะปริญญาในทุกข์นะครับแต่ว่าปริญญาทั้งสามประการนั้นเนี่ยนะครับก็ก็ต้องอาศัยฐานคือจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็อาศัยฐานคือ ศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิก็ต้องอาศัยฐานคือการฟังเป็นต้นมาเป็นอย่างดีนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อแทงตลอดอริยสัจโดยลําดับนะครับแต่ว่าทุกขสั์ไม่ต้องไปทําอะไรคือมีอยู่แล้วนะครับที่ที่กล่าวเมื่อกี้นะครับทวนได้แล้วนะทีนี้ในบรรดาข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเหล่านี้นี่นะครับก็คืออันนะพูดแบบอันเดียวเลยก็คือสติ น, นั่นเองเจริญสติ แต่ถ้าผู้สติแล้วนะครับโพธิปกักขยธรรมสาิบ็ดนะผู้สติอันเดียวก็พอโพธิปักที่เหลือจะเข้ามาทั้งหมดพร้อมกันเพราะว่าบุคคลผู้มีสติเนี่ยนะจะคัดเลือกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะควรจะเจริญอะไรนะครับสาหรับผู้มีสตินะเพราะว่าผู้มีสติคือผู้ฟังมาอย่างดิบดีรอบรู้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับว่าโอค้คนที่วินิจฉัยอะไรได้หมดเกลี้ยงเลยนะ เพรสติเนี่ยทำหน้าที่วินิจฉัยในปะปัญจะสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายนะครับอัตถกถาสติประธานสูตรโพชงบพะเนี่ยนะครับอธิบายถึงว่าสติเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงซึ่งพระพุทธพจน์เองก็ตรัสว่าสติเป็นธรรมะที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะฉนนั้ในปะปัญเจสูทนีอุปมาว่าสติเนี่ยนะจำปรารถนาเหมือนกับเกลือ ที่มีความสําคัญต่อแกงกับข้าวทุกชนิดวางกันเถอะอันนี้พูดแบบสมัยที่ไม่มีน้ําปลาเนี่ยนะ mm. บอกว่าเกลือเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จําปราถนาในกับข้าวทุกชนิดหรือเหมือนกับเหมือนกับปรินายกเนี่ยนะครับหรือคนที่ฉลาดในราชกิจจําปราธนาในกิจทั้งปวงวางกันเถอะสติก็เหมือนกันเพราะสติเนี่ยนะครับเป็นตัววินิจฉัยว่าตอนนี้ศรัทธาคุณขาดนะตอนนี้ศรัทธามากไปสติจะเป็นตัววินิจฉัย ตอนนี้ความเพียรย่อหย่อนนะตอนนี้ความเพียรมากไปตอนนี้สมาธิมากไปนะตอนนี้สมาธิบกพร่องตอนนี้พิจารณาปัญญามากไปตอนนี้ปัญญาบกพร่องนะครับในการปรับอินทรีย์ทั้ง5ประการบางท่านก็บอกอ้าวเอ า, เ อ, าอัตตาที่ไหนไปปรับอินทรีย์นะครับก็เลยทงไปอีกเพราะพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้แสดงเรื่องการปรับอินทรีย์ถามว่าแสดงที่ไหนครับแสดงกับพระโสนะ โกริวิาสาตนะครับที่เดินจงกรมจนเลือดอาบที่จงกรมนะครับแม้ในจำ ม, มะขันธกะในพระวินยัยแล้วก็ในพระสูตรพระองค์ก็แสดงนะครับพูดถึงวิธีการปรับอินทรีย์นะครับนั้นอัตกถาก็อาศัยคําสอนเหล่านั้นนะครับมาเทียบเคียงแล้วก็อธิบายถึงเรื่องแนวการปรับอินทรีย์แล้วพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นผู้ที่มีอินทรียะประโปรปิยติยานยังรู้ความยิ่งความหย่อนและอินทรีย์พระธรรมเทศนาคําสอนเป็นต้นของพระองค์นั่นแหละครับเป็นคําสอนเพื่อปรับอินทรีย์ เพราะพระองค์นี้เป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสัตว์เราใดมีศรัทธาน้อยพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อเพิ่มภูมศรัทธาแก่เขาสัตว์เราใดมีความเพียรน้อยพระองค์ก็จะแสดงธรรมะเพื่อความเพียรแก่เขาสัตว์เราใดหลงลืมสติพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อเพิ่มภูมสติแก่เขาสัตว์เราใดฟุ้งซ่านพระองค์ก็แสดงธรรมเหล่านั้นให้สัตว์เหล่านั้นสงบถ้าสัตว์เราใดเนี่ยนะครับเข่าไร้ปัญญาพระองค์ก็จะแสดงธรรมเพื่อ เพื่อมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนเพื่อปรับอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ทั้งหลายเจริญบริบูรณ์เขาก็จักแทงตลอดอมะตะธรรมนะครับเพราะว่าอินทรีย์นี้ก็ยังแบ่งเป็นระดับโลกิยะและโลกุตระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสตินี้โพธิปัจจะธรรมก็ได้เท่ากับกล่าวแล้วนะครับเพราะสตินี้เป็นสิ่งที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสติเหล่านี้ได้ก็ต้อง อ่ะ น, นะถ้าเอาตามอาวิชชาสูตรกัตันหาสูตรก็ต้องไม่ลืมว่าสติสัมปชัญญะก็มีอาหารอาหารของสติสัมปชัญญะก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมณสิการก็มีอาหารคือศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นอาหารศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ยังมีอาหารคือการฟังพระสัทธรรมมาอย่างบริบูรณ์เนี่ยเป็นอาหารการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ก็คือการคบสัก บ, บุรุษนั่นแหละเป็น อาหานั้นสัตว์บูรุษในที่นี้ก็คือพระรัตนตรายนั่นเองคบพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์นะครับการประพฤต <c oughs> ิปฏิบัติของเราจึงจะบริบูรณ์การปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําเพื่อบูชาพระัตนาตรายัยนะครับอันนี้การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องของเราจรงิงๆแต่กระทําสิ่งเหล่านี้ต้องเอาพระัตนาตรัยเป็นประมาณนะครับในฐานะเป็นสารณะของเราถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่ก็ชื่อว่าบูชาพระรัตนาตรัยเท่านั้นนะครับดังนั้นการปฏิบัติของเรานี่นะครับไม่ได้ ถ้าเราทำชั่วนะโดยชื่อนะครับโดยชื่อพระัตนะตรัยเนี่ยนะดูเหมือนเสียแต่ความจริงแล้วนะเราชั่วพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้มาชั่วอะไรกับเราหรอกเป็นต้นนะครับเพราะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับข้อความต่ออีกหน่อยนะครับให้จบสูตรนะครับว่าบทว่าสติมาได้แก่มีสติ โดยประกอบด้วยสติปัญฐาสี่พร้อมกับมีความจําดีสามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้นานแล้วได้นะครับบทว่านิปโกได้แก่มีปัญญารักษาตนเพราะประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดกล่าวคือรู้สึกตัวในฐานะ7จ็นะครับคือสัมะนิปะกะหรือสัมปัญญะนี่อันเดียวกันนะครับนิปะกะกับสัมปัญญะนี่อันเดียวกันเพราะ สัมปชัญญะนี้มีอยู่สประการนะครับสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะครับในฐานะ7ถามว่าในฐานะ7คืออะไรครับการก้าวไปการถอยกลับการแลกการเหลียวการคูเข้าการเหยียดออกนะครับแล้วก็อะไรครับการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการนุ่งการห่มนะครับแม้กระทั่งการยืนเดินนั่งนอนพูดหลับ นิ่งนะครับพวกนี้ก็สัมปัญญาในฐานะเจ็บเนี่ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกล่าวคือการเข้าใจรักษากรรมฐานก็ชื่อว่านิปปโกเหมือนกันนิปะกะคือบริหารกรรมฐานไว้ได้นะผู้ที่จะบริหารกรรมฐานไว้ได้จะต้องมีสาสกะสัมปัญญะมีโคจระสัมปัญญะแล้วก็ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นสปายะและไม่เป็นสปายะจึงจะบริหารส ม, มถะและวิปัสนาต่อไปได้นะครับ บทว่าชายีได้แก่มีฌานด้วยฌานสองอย่างคืออารัมมณูปนิสชานนะครับอารัมมณูปนิสชานก็ได้แก่สมถะนั่นเองลักคนูปนิสชานเพ่งลักษณะก็ได้แก่วิปัสนาทั้งหลายที่เพ่งขันาธาตุยตนะนี่นะครับเพ่งสภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็เพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองบทว่าอัปมัตโตได้แก่ไม่ประมาทด้วยกรรมฐานภาวนาโดยในเมียที่ว่าภิกษุย่อมชำระจิตจากอววรณียธรรมนั่นนะ อภมาตโตคือไม่ประมาทเนี่ยนะคือหมายถึงลักษณะไม่ปล่อยให้นิวรลุ่มรุมอาวารณียธรรมได้แก่นิวร น, นั่นเองนะครับด้วยการจงกรมและด้วยการนั่งเป็นต้นเนี่ยนะครับสลับกันไปตามสมควรเนี่ยนะทางวันเนี่ยนะโดยที่ไม่ปล่อยให้นิวรหรืออกุสลวิตตกทั้งหลายครอบงำอันนี้ก็ลักษณะของผู้ไม่ประมาทเพราะว่าผู้ที่ไม่ประมาตก็คือผู้ที่ไม่ปล่อยให้นิวรทั้งหลายนั่นน่ะครอบงำนั่นเองบทว่าสังโยชนังชาติ ชรายะเชตวาได้แก่ตัดกิเลสสิอย่างมีการ ม, มาราคะเป็นต้นอันได้ชื่อว่าสังโยนเพราะประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราจากมูลรากด้วยการถอนอนุสัยนะครับขาดแล้วอันผู้ที่จะตัดชราและมรณะได้นะครับตัดเครื่องผูกคือชราและมรณะต้องตัดไอ้เครื่องผูกคือสังโยหรืออนุสัยเมื่อถอนสังโยชหรือถอนอนุสัยได้นะครับชราและมรณะก็ไม่เป็นไป อีกอย่างหนึ่งบทว่าสังโยชนังชาติชรายะเชตตวาได้แก่ตัดเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติชราขาดแล้วอันที่จริงผู้ที่ยังตัดสังโยต์ขาดไม่ได้ก็ยังตัดและถอนชาติชราไม่ได้คือหมายถึงว่าผู้ที่ยังตัดสังโยน์ไ ม, mad. ไม่ได้ก็ยังถอนความเกิดและความแก่ไม่ได้นะครับแต่ผู้ที่ตัดสังโยช์ได้ก็ตัดความเกิดและความแก่ได้เด็ดขาดเพราะถอนเหตุเสียได้ คือเกิดกแก่ไปตายเนี่ยนะครับมันเป็นผลผลของเกิดแก่เจ็บตายก็คืออะไรครับคือสังโยชหรือเครื่องผูกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัดเครื่องผูกคือสังโยชนเป็นเหตุให้เกิดแก่ตายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัดเหตุเสียเกิดแก่ตายก็จะไม่เกิดนะครับจานวนว่าถ้าตัดไฟแต่ต้นลมแล้วไฟทั้งหลายก็จะไม่ไหม้นะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสังโยชนังชาติชรายะเชตตาวาดันางนี้นะครับ ผมอยากจะถามเรื่องว่าชําระจิตจากอาวะรนิยธรรมเนี่ยด้วยการเดินจงกลมหรือด้วยการนั่งผมฟังแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะบางทีเราเดินจงกลมเนี่ยเรายังคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่เป็นอคศิบ้างก็มี บ, บางทีนั่งอยู่เราก็ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอคศิบ้างก็มีแต่ตรงนี้เนี่ยให้บอกว่าชําระด้วยการเดินหรือด้วยการนั่งตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคือหมายความว่าคือ กรรมฐานนี่นะครับอิริยาบถ ท, ที่เกื้อกูลต่อกรรมฐานคือการเดินกับการนั่งนะครับในบรรดาอิริยาบถเนี่ยนะถ้าการนอนเนี่ยนะครับลองเถะพุทธคุณนะอรหังกลายจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสแล้วก็หาวฟอดแล้วก็ฝันเลยแค่นี้ยาวเลยคน่นี้นะเพราะฉะนั้นอิริยาบถ ท, ที่จะเจริญพุทธคุณเป็นต้นได้ก็คืออิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินเป็นต้นเนี่ยนะครับจึงจะชําระนิวรณ์ได้นะครับ อิริยาบถ ท, ที่เกื้อกูลต่อการเจริญกรรมฐานนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดินแล้ว่านิวร์มันจะลดท้อเดินนะครับนั่งแล้วนิวรจะลดท้อนั่งอิริยาบถเป็นอัพยากตะธรรมแต่จิตที่เป็นเหตุให้อิริยาบถนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าอิริยาบถก็เป็นอุปนิสัยแห่งจิตนะครับแต่นี้หมายถึงคนที่เข้าใจข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจริญข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยอาศัยการเดินและ การนั่งนะครับก็ลองสังเกต ด, ดูนะระวังนั่งกับ น, นอนเนี่ยอิริยาบถไหนกุศลเจริญที่สุดนะครับแต่ถ้าคนโทสะจริตนะในวิสุทธิมรรคก็กล่าวถึงว่าอิริยาบถนอนเขาเป็นสปายะนะครับแต่ไม่หลับนะไม่ใช่การหลับแล้วเป็นสปายะแต่ว่าอิริยาบถนอนจะเป็นสปายะกับเขาสําหรับคนโทสะจริตนะครับคนเครียดอะไรง่ายหงุดหงิดง่ายๆก็อยู่ที่เย็นๆแล้วก็ที่หลีเกเล่นก็พวกนี้จะพิจารณาอะไรได้ว่องไวนะครับนะ แต่ถ้าพวกสายราคาจริตก็ต้องเดินให้เยอะๆหน่อยนะครับให้มันเพลียๆหน่อยดีนะครับก็จบในอตัตกษถาอาตาปีสูตรนะครับ